ส่วนฝั่งที่ครบอบคะ่ะการปฏิบัินั้นทำสม่าเสมออย่างไรจึงจะดีเราปฏิบัติกันมากนานบางคนอาจจะแบบน้า น, นะเราก็อยากทราบเดี๋ยวไปถามท่านไปบูลกันละกันนะคะเพราะไปบูลอภิปุนโนยจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีคะ่ะน้องส ก, กางยังท่งานคะเจริญพน เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวัจระช่วงเวลานี้สำหรับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเฉลิมฉลองปีพุทธชียนตีด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธองค์ที่เป็นพระศ า, ศาสดาของเรามาครบ 2,600 ปีในปีนี้กันในทุกๆวันนิมุนท่านก่อนในเรื่องนี้เลยค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดละในในโลกนี้นะซึ่งบางทีพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ ปฏิเสธในการที่จะแสดงปฏิเสธในการที่แสดงอิทธิฤทธิ์หรือความพิเศษต่างๆเหล่านี้แต่บางทีเนี่ยก็ให้สาวกทําให้แทนแล้วตัวเองก็นั่งเฉยๆนะแล้วก็ เ, เ, เมื่อมีการแสดงอิทธิปฏิหารอะไรพวกนี้เสร็จแล้วลสาวกคนนี้เข้ามากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพเจ้าก็บอกให้ไปได้แล้วตัวเองก็แสดงทําตัว น, นั้นเองประเด็นตรงนี้ที่พูดเนี่ยก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าบางทีก็ไม่ได้ต้องทําเองไม่ต้องลงมือเอง ในอย่างหรยกตัวอย่างบางทีพระราชาอ ย, อย่างเงี้ยก็มีลูกน้องที่เก่งกว่าตัวเองในเรื่องของบางเรื่องแล้วก็แค่สั่งเฉยนะซึ่งพระบรมเช่าบางทีก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาเก่งกว่าพระบรเช่าหรอกนะเห็นว่าให้คนอื่นทําำ ต, ตัวเองก็ไม่ต้องเหนื่อยออกแรงแล้วก็เราก็แสดงทําเรื่องที่สําคัญสำคัญดีกว่าอย่างนี้ค่ะคือเหมือนการทางานเป็นทีม อ, อย่างงั้นไหมคะใช่ใช่ทำงานเป็นทีมก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการที่เป็น นักบริหารด้วย<ด>บางครั้งเราจะพบอยู่เสมอๆในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านคะว่าผู้บริหารบางคนเนี่ยชอบไปลงรายละเอียดมากแล้วก็ทำให้บริหารงานได้ไม่ทั่วถึงก็คงจะต้องเอาวิชาพุทธเจ้าไปใช้นะคะอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าแบว่าเรามีข้อมูลที่ที่ถูกต้อง น, นะอย่างสมมติว่าในกรณีผู้บริหารอย่างเงี้ย ลงรายละเอียดมากเกินไปบางทีไม่มีความผ่อนปลนก็จะทำให้การทำงานยากซึ่งผู้ชาของเรามีความยืดหยุ่นเต็มที่เลยบางทีตัวเองทำให้คนอื่นทำ อ, อะไรต่างๆอย่างนี้นะค่ะดิฉันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ผู้ฟังท่านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะก็เผื่อจะมีประเด็นทาอะไรเข้าไปจับได้เพราะเรามักจะ พูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าเนี่ยสอนในทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องของโรคมะเร็งอ่ะท่านคะคือโรคมะเร็งนี่เราจะได้ยินตลอดเวลาเลยนะคะมันเหมือนก็ว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากอืมแต่แต่วันนี้เป็นเรื่องข้อมูลเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยตายด้วยโรคเนี้ยมากที่สุดอืเข้าโรงพยาบาลกันจํานวนมากๆแล้วก็มะเร็งที่เป็นกันเยอะๆก็มีลําไส้ใหญ่ท่อน้ําดี เต้านมปากมดลูกคนตายก็จากสารพัดโลกแล้วไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายท่านก็เลยบอกว่าให้สังเกตร่างกายต่างๆนานา น, า น, านะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะรู้กันแล้วทีนี้ดิฉันอยากจะกลับเรียนถามว่าเมื่อวานท่านพูดถึงเรื่องของพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนวิธีการบริโภคอย่างไรไม่ให้แก่เร็วใช่ไหมคะเวทนาน้อย แล้วก็เป็นสูตรลดความอ้วนก็ให้มีสติในการบริโภคถูกไหมคะใช่ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้เป็นคาถาเลยพระพุทาบอกว่าบุคคลพึงเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่ อ, อรู้ประมาณในโภชนาที่ได้มาเขาย่อมแก่ช้ามีเวทนาเบาบางและครองอายุได้ยืนนานค่ะแปล ว, ว่าแก่ช้า มีเวทนาเบาบางคือไม่ค่อยเจ็บแข่ได้ป่วยถูกไหมคะใช่ใชแล้วก็อายุยืนอจะมีอะไรที่เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่ยังไม่รู้ว่าการเกิดมามันทุกทรมานมากกว่าการแก่การเจ็บไข่ได้ป่วยการมีอายุยืนนานการมีอายุสั้นซะอีกอทีนี้ตรงนี้มันอาจจะมีรายละเอียดนะคุณยมติวที่พูดถึงว่าแค่ว่ารู้ประมาณในโพชนาที่ได้หมายา <Okay. S 2> คำว่ารู้ประมาณในโพชนาที่ได้มาเนี่ยแม่มันมั น, มนรายละเอียดมันเยอะนะคือบางทีเราต้องพูดถึงเรื่องของธาตุไฟธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนที่จะมีอายุยืนอย่างเงี้ยอย่างพูดถึงพระพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่มีอายุยืนนานเกินกว่าคนปกติเนี่ยก็เพราะว่ามีธาตุไฟที่ย่อยอาหารเนี่ยอย่างพอดีไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะมีอภ า, ารน้อย mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยคุณจะต้องดูเรื่องธาตุของเราด้วยนะรับประทานอาหารอะไรที่มันถูกธาตุ ที่ทําให้ธาตุของเราในร่างกายเนี่ยมันสมดุลได้อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งแง่มุมที่สองก็คือว่าต้องไม่ไม่อิ่มเกินไปเนี่ยต้องให้มีช่องว่างในท้องแต่ต้องมีความละเอียดในการรับประทานคือเกี่ยวให้ละเอียดการประสิทธิภาพในการย่อยก็จะดีขึ้นอย่างน้อยมีสองสามประเด็นนี้ค่ะที่ว่าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคนี่พอสมควรเท่ากับว่าการกินกับความเป็นมนุษย์นี่สําคัญมากเลยค่ะ อืก็กองทัพเดินได้ด้วยทองเนาะ <laughs> ค่ะต่นผู้ฟังคะดี๋ฉันจะตั้งข้อสังเกตเผื่อท่านจะตกอกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเดี๋ฉันถามแล้วท่านเพริบุลจะนิ่งไปแป๊บหนึ่งดี๋ฉันเข้าใจว่ามันมีช่องว่างของความช้าของการเดินทางของเสียงนะคะวันนี้คะ่ะอืมที่ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนิดนิดนะค่ะเลยทําให้ตอนแรกดี๋ฉันตกใจนะคะคิดว่าเอ๊ะดีฉันถามอะไรผิดท่านอึ้งไปอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยตอบ ค่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องในตอนต้นที่ดิฉันพูดว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของการบริโภคเนี่ยพระพุทธองค์เคยตรัสอะไรไว้อีกไหมคะนอกเหนือจากคาถานั้นก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บอั น, นื่องจากการบริโภคใช่ไหมโอมีพิกษุนในสมัยก่อนเนี่ยนะมีปัญหานี้เยอะมากหลายรูปทีเดียวคือเวลารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารไม่ย่อยบนะอกอาหารไม่ย่อยแล้วก็ท้องอืดตายในะคืนนั้นเลย น, นตอนสมุติตอนช้ารับประทานอาหารเนี่ยตอนเย็นไปนอนเข้านอนเสร็จปุ๊บตอนเช้าไม่ตื่นมาจากเตียงเลยเออเป็นอย่างนั้นเยอะแยะโอ้หลยคะอืมเป็นเป็น โ, โรคชนิดหนึ่งอนะที่อาหารไม่ย่อยแล้วก็เกิด<ะ>เป็นแก๊สขึ้นมาในท้องอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนพอมันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาไม่มีหมอไม่มียาสะดวกเหมือนปัจจุบันใช่ใช่ท่านคะทีนี้ เรื่องของการบริโภคที่ท่านพูดด้วยแบบนี้เนี่ยที่ฉันก็สนใจแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยจะสอนเราจริงๆเนี่ยสอนให้เราไปปฏิบัติทางจิตเพื่อให้หลุดพ้นการบริโภคกับการปฏิบัติทางจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมคะ ม, มันมีผลต่อกันนะถ้าติดผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องให้ความสําคัญเรื่องใช่เพราะว่าเวลาเราบริโภคเนี่ยเราต้องพิจารณานะถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราจะถูกอิตฉะคือลิ้นเนี่ยดึงไป จะมีความปรุงแต่งต่อเนื่องจะถูกดึงไปไอ้พอใจก็จะดึงเอาไปไม่พอใจเราก็จะขยักขยัง่งเพราะนั้นไอ้ไ อ, อ้มารเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในภายนอกเนี่ยมันจะเข้ามาในจิตของเราได้ไม่ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นลิ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่สําคัญทีเดียวที่มันเข้ามาได้เราก็ต้องรู้จักป้องกันอินทรีย์ตรงนีน้ถึงจะถูกต้องอ๋อคือเดียวฉันจะถามไปอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามันสําคัญจริ ง, รงๆนะคะใชมมม่มันเป็นมันมันเป็น ช่องทางแห่งกิเลสจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ้าเนี่ยจึงให้รับประทานอาหารลุกขึ้นหนเดียวแล้วก็ไม่รับประทานอีกเพราะว่ามันเป็นความเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากด้วยนะคือมนุษย์เนี่ยทยี่ว่าไปเที่ยวแสวงหาอะไรก็เพราะว่าปากทองทั้นั้นเลย นะ่คุณจะไปทํางานกินเงินเดือนเป็นข้าราชการแล้วก็เพราะเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเปนเรื่องสคัญมากพระเจ้าจึงให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ง่ายเรื่องปากเรื่องท้องนะคุณมีพระชภาชนะใบเดียวคุณเป็นพิการจารย์ได้อะไรมาก็กินได้อะไรมาก็พอใจเท่านั้น่นะให้ง่ายเรื่องปากเรื่องท้องว่า ง, งั้นงั้นพระเถรบอกว่าไอ้ช่องทางในการที่กิเลสต่างๆจะเข้าเนี่ยคืออายตนะต่างๆซึ่งมีลิ้น อยู่ในนั้นด้วย<ช>ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่<ะ>ใชท่านคะทีนี้มินมีทั้งหกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องทางไหนที่อันตรายที่สุดคะธรรมาว่าอันตรายทุกช่องทางเลยพอๆกันทั้งทั้งหมดเลยมันต้องระวังทั้งหมดเลยอ๋อรอคะอืมเอ่อทีนี้มันไม่ได้รุนแรงเนี่ยความรุนแรงมันไม่ได้เป็นไปตามว่าอายตนะไหนอันใดอันหนึ่งรุนแรงกว่ากันหรอกเพราะว่าอย่างเวลาเราดูทีวีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาเราแค่ตายเดี๋ยวมันเอาเราทั้งเสียงด้วย มันอยู่ที่ว่ากิจกรรมนั้นๆเนี่ยมันเอาเรากี่อิจฉาะมันจัดการเรากี่อิตนาะณั้นน่ะจะเป็นกิจกรรมที่รุนแรงมากอายกตัวอย่างเช่น ถ, ถ้าเราอ่านหนังสือนะคุณยมเตี๋ยวหนังสือที่เป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยเป็นรูปสีๆอะไรเไงี้ยมันดีอย่างดีที่สุดก็แค่เรื่องของของตาตเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมาทําเป็นวีดีโอจะเป็นวิดีโอมันมีเสียงด้วยเราจึงชอบดูวีดีโอมากกว่าชอบอ่านหนังสือนี่เป็นธรรมดาเลยเพราะมันดึงเราทั้งตางหูดึงเราทั้งต่าง ในขณะที่ถ้าเราไปกินอาหารตามร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาเปิดเพลงเพราะๆอาหารดีๆมีโชว์มีอะไรต่างมันเอารักทั้งตาทั้งเสียงทางลิ้นทางกายด้วยมันมันจะทำให้เรายิ่งยึดติดในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นนั้นคนในยุคนี้ก็ลำบากมากเลยสิคะเพราะว่านักค้นคว้าทั้งหลายก็ค้นสุจนกระทั่งดมกลิ่นได้แล้วเนี่ยดิฉันยังไม่ทราบว่านอกเหนือจากเห็นมองเห็นได้ยินเสียง บางอย่างดมกลิ่นได้นะคะแล้วก็บางอย่างให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณได้สัมผัสไปด้วยใจในมันคิดอยู่แล้วแย่เลยนะคะเนี่ย<ก>โจทย์ใหญ่มากขึ้นทุกวันก็ต้องเป็นผู้ที่สมัมรสมอินรีไงพุช่าบอกแต่ถ้าเราปิดกั้นอินรีแล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนี่ยหรือว่าทุกทางเนี่ยมันก็จัด ก, การเราไม่ได้เราจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากกระแสแห่งมารตรงนี้ได้แต่ว่าดังนั้นถ้าก<อ>ล่าวย แต่ว่าเรื่องของการสำรวจอินรีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆนะเราต้องมีการฝึกสตอิอย่างดีทีเดียวนอกจากนี้นนคที่เช่นก็เลยจะบอกว่างั้นขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะจากการที่ที่เชื่อว่าคนที่ฟังรายการประเภทแบบนี้มักจะฝักฝ่ายต่อการเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วเทคนิคในการสํารวมอินทรีย์เพื่อที่จะทําให้อ่าจะได้ปฏิบัติเดินหน้าไปได้เนี่ยจากคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดๆทุกวันนี้ทํางานยุ่งวุ่นวายต้องทอําอย่างไร พระเช้าเคยพูดถึงอาหารของการสรํารวมอินทรีย์คือเราจะทําการสํารวมอินรีย์ให้ได้ดีเนี่ยเราต้องมีอาหารเลี้ยงเขาใช่ไหมกองทัพเดินโดยท้องนะเพระเาะนั้นเราจะเลี้ยงอาหารไอ้เจ้าการสํารวมอินรีย์ได้เนี่ยคุณต้องประพฤติสิ่งที่เรียกว่ากายวาจาใจอันเป็นสุจริตถ้าเรามีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตแล้วเนี่ยคุณจะสามารถสํารวมอินทรีย์ได้อย่างดีทีนี้ไอ้เจ้ากายวาจาใจอันเป็นสุจริตนี่ก็มีอาหารเหมือนกันนะ อาหารของเจ้ากายวาจาใจอันเป็นสุจริตเนี่ยพระเจ้าก็ให้ไว้คือสตินั่นเองสตินั่นเองที่จะเป็นอาหารตรงนี้ได้แม่ใช้คำว่าอาหารอาหารเออเป็นการใช้ภาษาที่แปลกอีกเหมือนกันอันนี้เป็นผู้ทวัจนะเลยใช่ไหมใช่เป็นผู้ทวจนะมาที่อ้อค่ะการประพฤติกายวาจาใจอันสุจริตเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์และสติคืออาหารของ การประพฤติกายวาจาใจอันสุดจริตสาธุสาธุสาธุเพื่อนฟังที่เคารพค่ะเห็นไหมคะว่าฟังไปทุกวันเนี่ยก็ะจะงอกงามทุกๆุกวันนะคะและก็วันหนึ่งไม่มากก็จริงแต่ได้ประโยชน์ไปเยอะท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราเริ่มต้นอาจจะเริ่มดูเหมือนกับสนทนาธรรมดาแต่เห็นไหมคะว่านี่นำไปสู่เคล็ดลับในการที่ท่านจะปฏิบัติได้ ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอินทรีย์ของท่านสํารวจได้มากขึ้นด้วยการที่ท่านรู้ว่าต้องมีสตินะเพื่อที่จะให้สติเนี้ยไปกํากับพฤติกรรมของเราทางกายวาจาใจให้สุจริตนะคะแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติของเรามีการสํารวมอินทรีย์ที่ดีขึ้นแล้วในเรื่องของอินทรีย์ต่างๆที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเวลามันมากระทบกับเราเนี่ยคุณยมติวมันจะ อาศัยสิ่งที่ว่าผัสสะเรามีความรับรู้ตรงนี้ได้ก็เพราะผัสสะนั่นเองผัสสะเนี่ยก็คือการที่เกิดขึ้นจากตาไปเจอรูปแล้วก็มีจิตของเราเข้าไปรับรู้แในบางทีเราได้ยินเสียงคือเสียงเข้าหูก็จริงนะหูเราได้รับเสียงก็จริงแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่เข้าไปรับรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ซึ่งอเยตนะ น, นั้นนะอย่างกรณีของเวลาที่เราอ่านหนังสือค่ำเคร่งอยู่อย่างเงี้ยแม่เรียกเราสามรอบสี่รอบเราก็ไม่ได้ยิน ตั้งแต่ที่เสียงก็เข้าหูเราตั้งแต่รับที่หนึ่งรับที่สองละจนกทั้งรับที่ห้าเนี่ยพึ่งขึ้นจะถึงพึ่งขึ้นจะได้ยินเสียงของแม่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยมันหูตรงไวมากจริงๆถึงจรงรระรับรู้ตรงนี้ได้คอยป้องกันตรงนี้ได้ค่ะก็เรียกว่าต้องใครที่ยังมีอาการแบบนี้ก็ต้องไปฝึกสติ ก, กันใช่ใช่นะคะอะดิฉันเชืวว่อ เป็นคนละอย่างสองอย่างแหละคะ่ะมันฝึกยากทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นผู้ปฏิบัติแล้วบางครั้งอาการของการที่สติมันยังไม่เต็มที่เนี่ยยังจะต้องพัฒนาต่อไปมันปรากฏเรื่อยๆอค่ะก็ฝึกต่อไปนะคะอย่าทอแท้อทอถอย ก, ก็แล้วกันค่ะวิธีปฏิบัติอานาปานาสติอย่างที่ท่านมาร์กนาอยู่ซึ่งการสํารวจอินทีอินซีจะไปเกือ้อกูลการปฏิบัติด้วยถูกไหมคะถูกทางและในขณะเดียวกันการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกือ้อกูล ทำให้เราสำรวมอินทรีย์ได้มากขึ้นมีสติมากขึ้นไหมคะใช่ใช่คนยิ่งปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยจะยิ่งมีศรัทธาใช่ไหมศรัทธาแล้วเขาก็จะมีความเพียรยิ่งไปปฏิบัติมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นมีสติมากขึ้นมันก็ยิ่งเป็นก็เรียกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติท่านจะได้เป็นผู้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆนี่ถ้าปฏิบัติแทนกันได้ทําให้แล้วนะคะ <c oughs> ท่านภัยบุญในมรสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ท่านฝังที่ครบค่ะแล้วนั่นก็คือท่านภัยบุญอภิปุนโนซึ่งขณะที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นี้ท่านภัยบุญนั้นได้ไปที่นอร์เวย์ ก, กับพระอาจารย์สะอาดนะคะหลวงพอ่อทัเตอร์สะอาดแห่งวัดป่าดอนหายโศกไปเผยแพร่ธรรมะอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะสแกนดิเนเวียนนูเลยไกลามากแต่อย่างไรก็ตามอีกสักสองสัปดาห์นะคะท่านก็จะกลับมาพบเราเช่นเคยแล้วส่วนในรายการวันนี้นะคะเราก็ รักษาความสม่ำเสมอเช่นเดียวกับทางด้านของท่านพิบูลเหมือนกันที่จะแจกหนังสือที่ชื่อว่าพุทธวจนะให้กับท่านเป็นประจำนะคะวันลาสาท่านที่ศูน6 9สองสอกค่ะเวมะดอมลหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ท่านจะส่งคำถามไปได้เช่นเดียวกับเปิดโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้วันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทวจนสวัสดีคะ่ะ